เมื่อวันนีวนรรวน่วันครบรอบสำเร็จประสังคลาดวันวันครบรอบสำเร็จประสังคลาชเราก็ลืมไหมลืมพาหมูเรามาแล้วเลือกได้แล้วไปเอาโปรเดียวอยู่แหละอยู่กุศลแหละทิศสุนทิศสน กุศลถึงเพลนสมเด็จพระสังฆราชอายุครบหนึ่งร้อยปีเมื่อวานโอ้หนึ่งร้อยปีบ่หน่อยเด้อหนึ่งร้อยปีเนี่ยอายุครบหนึ่งร้อยปีเมื่อวานพรรษาเท่าไหร่ฮะใครได้ยินบ้างเขาเปิดอยู่ตามนั่นไหมพรรษาเท่าไหร่กับ แปดสิบเก้ 80, 90, าสิบรอยภาษาแปดสิบเต็มเหรอเต็มเลยใช่ไหมเราฟังเราไม่ถูกอตรงที่ภนษาเราก็เลยจำไม่ได้ฟังร้อยสามของลงตานี่แหละภนษาแปดสิบษาแปดสิบนี่เป็นแล้วเป็นเนนอีกเด้ เป็นเนียนเท่าไหร่เราไม่ได้ฟังเราได้ฟังไปถูกนิดหน่อยเป็นเนียนอีกเท่าไหร่พปนาแปดสิบเออห น, นเป็นเนียนอีกเท่าไหร่หกปีหน่น เป็นเนียนอีกหกปีแปดสิบหกเป็นเป็นชีวิตที่อยู่ในพรมอาจรรย์ที่ยืดยาวและเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่อยู่ในตําแหน่งที่ยาวนานที่สุดกี่ปีฮะเยอปีเท่าไหร่กีป่ปีอยู่ในตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนานกี่ปียี่สิบกว่าปีใช่ไหมฮะ ตั้งแต่ปีสามห้าสี่ห้าห้าห้าโอ้ยยี่สิบเอ็ดปีเหรอยี่สิบเอ็ดปียี่สิบสอง 21, ปี 22, ปปเป็นสมเด็จสังฆราชที่ยาวนานที่สุดในยุคเนี้ยยุคสิบเก้าองค์เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชจนสมเด็จสมเด็จเกี่ยวอันสาน อายุน้อยกว่าก็ไปก่อนแล้วสมเด็จเกียวสมเด็จเกียวก็ไปก่อนแล้วอายุหนึ่งร้อยปีกพยังมีพระชนม า, ายุอยู่หลวงตาอายุเก้าสิบแปดปีหลวงตาอายุเก้าสิบแปดปีาไหร่าตส 70เท่าไหร่77หรือ78ฮะ77เหรอัณฑาหลวงปู่เขียนนี่เพินะ่รุ่นเดียวกันนี่สามองค์เนี่ยหลวงปู่เขียนอายุเกปีหลวงปู่เขียนนี่บวชเนนตัง้งแต่อายุเท่าไหร่ลืมแล้วแหละ บวชนเรนตั้งแต่14มอนกันเหรอข้เขียนเนี่ยอายุ90ปีไม่เต็มไม่เต็ม90ปีดอกเข้าเพราะอายุเข้า990ปีแต่เพื่อนกระป่วยมาตั้งแต่ปี27เป็นอัมพาตมาตั้งแต่ปี27เราจำได้ว่าพวกเราดูเลยอัมพาตท่านมาน19ปี หลวงปู่เขียนเนี่ยสิปีเส้นโลหิตแตกในสมองด้านซีกซ้ายเส้นโลหิตแตกในสมองซีกซ้ายมันก็เป็นอมัมพาตทั้งซีกขวาทั้งหมดเลยซีกซ้ายของสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นศูนย์ควบคุมการพูดเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดออกมาไม่เป็นสัพเป็นแสงพูดพูดออกมาไม่เป็นสัพเป็นแสง เส้นโลหิตแตกขณะกำลังนั่งฉันก่อนจะฉันเนี่ยเป็นเส้นโลหิตแตกในสมองเลือดมันออกไปข้างในสมองเนี่ยสามตารางเซนดรเชาให้รถพากรุงเทพไปเอาไปเข้าโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ทเขาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเขาก็เลยลองยาให้ยาให้ฉันยาช่วยกระจายเลือดที่มันคั่งอยู่ในสมองอในที่สุดก็ได้ผลไม่ต้องผ่าไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยแต่ด้วยเหตุที่เส้นประสาทตัวที่มันสูญเสียมันแตกไปเนี่ยคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นศูนย์คุมการพูดเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยอเยมื่อลยสูญเสียไปเลยเอำมาผ่าตั้งขวาก็ ามาพาดไปแล้วคุมการพูดก็พูดไม่ได้พูดออกมาไม่เป็นศัพท์เป็นแสงไม่เป็นคําพูดสมัยทุกวันก็อาจารย์นพดลอาจารย์นพดลก็ไม่ใช่แตกลิ่มเลือดอุดตันในสมองอุดตันมากๆมาเป็นหนักตอนที่ท่านมาสําลักอีกทีหนึ่งออุดตันอยู่ทั้งซีกซ้ายนี่แหละจนได้พาออกไเจาะออก ผ่ากะลากระโหลกออกเพราะว่ามันสมองบวมพอเอาออกแล้วก็ดูแลรักษาแต่ส่วนที่มันสูญเสียไปมันก็คืนไม่ได้พอคืนไม่ได้ท่านก็พูดพูดไม่ออกเลยหมอเขาก็บอกอยู่บอกว่าตรงนี้เป็นศูนย์คุมการพูดพอตรงนี้พิการไปแล้วเนี่ยพูดไม่ได้ อนานๆเอือกอักสักครั้งหนึ่งแต่หลวงปู่เขียนท่านเอืกอักได้ตลอดแต่มันไม่เป็นคําไม่เป็นศัพท์ไม่เป็นแสงไม่เป็นคําพูดน้องท่านเอือกอักได้ตลอดแต่เราก็โดนอานั้นๆจะเอือกอักได้สักครั้งหนึ่งเอออย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็ยังยากเลยแล้วก็เดินไม่ได้ถ้าเป็นซีกซ้ายมันจะต้องขวามันจะต้องไปหมดครึ่งขวาเนี่ยตายไปหมดพิการหมดเดินไม่ได้ นี่อาจาย์ดนดลเป็นเหมือนนพเคียนแต่นพดลนี่ก็คนรุ่นนี่แหละรุ่นรุ่นสมานี่แหละประมาณหกสิบห้าหกสิบหกนี่แหละอายุหกสิบหกดวงตาดวงตาเก้าสิบแปดแต่ดวงตาเก้าสิบแปดนี่นะักวัาท่านแข็งแรงมากนะท่านไป ไปท่านแม่อยู่กับที่หลวงปู่เขียดน่ยอยู่กับที่ตั้งนานตั้งแต่ปีสองเจ็ดมานีแล้วก็สามปีสุดท้ายก็อยู่ศรีนาคารินตลอดไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลับมาวัดไม่ได้อะไรเนี่ยพระเนนก็สับเปลี่ยนกันไปเฝ้าในพรรษาก็หกวันไปรับหก ว, ว, วันไปส่งหกวันไปรับหกวันไปส่งมันพนหนึ่งองค์ทำเต่าหนึ่งองค์หกหก หกวันไปรับหกวันไปส่งดูแลท่านไม่อยากเอาท่านกลับวัดพอเวลามันขึ้นฉุกเฉินมาเราก็ไม่มีความรู้อะไรที่จะช่วยท่าช่วยท่านไม่อยากท่านได้ทรมานเกลยท่านอยู่อย่างนั้นแหละแต่การอยู่จำเจอย่างนั้นเนี่ยมันอันตรายครับตกติดเชื้อ ผู้สูงอายุอายุมากถูกพาตัดและอยู่โรงพยาบาลเนี่ยที่เสียงที่สุดก็คือโรคติดเชื้อเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวติดเชื้อผมเขียนติดเชื้อขั้นรุนแรงอยู่ครั้งหนึ่งต้องมาเถียงกัน จ, จ, จนต้องได้เจาะคอเจาะคอช่วยหายใจช่วยดูดเสลิดช่วยอะไรต่ออะไรได้แต่ลุงตาท่าน ท่านไม่ถึงขนาดนั้นหลวงตาท่านตอนระยะหลังไม่นานเท่าไหร่ท่านยังพอเดินได้ลุกได้อะไรได้พูดได้อะไรได้ท่านขยับไม่ได้กี่วันสองสวันมั้งท่านขยับไม่ได้สองสวันเองอันไปลงตา อ, อายุเก้าสิบแปด เก้าสิบปดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านเจ้าคุณวัดโพที่สมพรนี่นอุดรธานี้นี่พระอุดมญาณามโมลีจะครบวันที่สิบตุลาเนี่ยที่สิบตุลานี่จะหนึ่งร้อยสามปีหนึ่งร้อยกับสามปีเป็นหนึ่งร้อยสามปีเจ้าคุณอุดมญาณมโมลีคนขนแก่น นคืออายุอายุก่อนลงตาสองปีก่อนสมเด็จพระสังฆราชสองปีก่อนลุงปู่เพียนอีกสองปีเจ้าคุณวัดโพเนี่ยร่างไม่สูงร่างไม่ย่งร่างเล็กๆ ก, กันๆอายุยืนเจ้าคุณวัดโพเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นชั้นรองรองสมเด็จก็เรีชั้นรองชั้นรองสมเด็จขยับจากนี้ไปอีกก็เป็นสมเด็จตามตำแหน่งสมณศักดิ์แต่หัวเมืองคงไม่ได้หรอกถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยได้แล้วมันได้ทั้งนานแล้วแต่พันอยู่หัวเมืองส่วนมากเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ใหรอกอยู่หัวเมือง ต้องอยู่ส่วนกลางถึงจะได้สมเด็จมีเป็นตำแหน่งสมณศักดิ์สมณศักดิ์เป็นตำแหน่งที่ได้จากในหลวงเพราะครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านมีอุปการะคุณกับภาษาศาสนามีอุปการะคุณกับภาษาศาสนาเพราะฉะนั้นจึงมีตาแหน่งมีสมณศักดิ์ สมณศักดิ์ก็ช่วยดึงให้ท่านอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งก็ช่วยให้อยู่เพื่อได้สมณศักดิ์ทั้งตำแหน่งทั้งสมณศักดิ์ก็เป็นเหตุช่วยดึงให้ท่านอยู่ในพ้าเหลืองได้นานๆมีส่วนอยู่นะมีส่วนนะแต่อย่างหลวงปู่เขียนนี่ท่านได้เจ้าคุณท่านจบป ร, ริญญาเก้าเออหลวงปู่เขียนกับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ย เกปรเรียนเก้าปีเดียวกันปรเรียนเสอบได้ปีปีอะไลืมแล้วแหละสองสี่เจ็ดห้าปล่าไม่รู้ลืมละสอบได้ปีเดียวกันแต่ลวงปูเขียนท่นสอบปรเรียนเก้าตกหนึ่งปีสอบปรเรียนเก้าตกหนึ่งปีท่านได้เป็นปรเรียนหประโยคตั้งแต่เป็นเนรนี่อะไรเนี่ย เรียนไม่เคยสอบตกตั้งแต่ปรสามถึงปรห6ตั้งแต่ปรสามถึงปเจ็7สอบอยู่ที่วัดสุทัจจินดาโคราชไม่เคยตกไม่เคยตกสักปีปรแป8เข้าไปสอบที่วัดบุบวรนสอบได้พอปีรุ่งขึ้นสอบปเก้าตกเวลา ตกเวลาสอบตกเวลาทําเสร็จเรียบร้อยถูกต้องหมดนั่งตรวจเช็คทานคณะกรรมการไม่บอกเวลาเหลือเท่านั้นจะหมดเหลือเท่านี้จะหมดกรรมการไม่บอกนาฬิกาก็มีคณะกรรมการแค่เรือนเดียวนาฬิกามันนาฬิกามันไม่เหมือนทุกวันเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการมีเรือนเดียว จะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเขาไม่บอกเวลาเขาบอกเขาก็บอกว่าหมดเวลาตอนนี้นลุกปุ๊บปั๊บไปส่งเขาไม่รับไม่รับใบตอบโอ้เสียใจมากเลยตอนระหว่างนั่งเรียนนี่ก็ตอนระหว่างเรียนใช้ความเพียรพยายามแต่และชั้นของเพื่อนเนี่ยจะต้องดูหนังสือได้อย่างน้อยสามสิบรอบคิดดูที่ แต่ละชั้นต้องดูหนังสือให้ได้สามสิบรอบแล้วก่อนสอบก็อธิษฐานที่บทพระแก้วนะคำ ว, นะว่าตกอย่าให้ได้ยินนะก่อนสอบนะไปอธิษฐานคำว่าตกอย่าให้ได้ยินให้ตายซะก่อนหนูกันนะคนเด็ดมากเป็นคนเด็ดอถ้ารู้สึกว่าสอบไม่ได้หรือสอบตกหให้ตายซะก่อนอย่าให้ได้ยินคำว่าตก โอ้พอเวลาไม่ทันเวลาไปส่งไม่ทันเขาไม่รับนะพมันว่าเกือบตายเหมือนกันนะเพื่นว่าเกือบตายสมองเน่ยเหมือนกันเละหมดเลยนะสมองพพเพื่นเพื่อนรอฟังนะสมองเพื่นเหมือนกันเละไปหมดเลยเกอือบตายเหมือนกันเลยเกือบตายเหมือนกันต้องฉันผักผักบุกสดวรรณกรรมวรรณกรรมวรณกรรมช่วยแก้ช่วยแก้สมองเนี่ยลาฟัง ฉันปักบุงสดวันละรมละคมละคำเป็นการรักษาสมองพอปีหลังมาเนี่ยสอบได้คะแนนเอกเลยปีหลังมาเนี่ยปีก่อนที่ที่เขาไม่ไม่ตรวจให้เนี่ยตกเวลานี่ก็ทําได้หมดแต่มานั่งทบทวนดูกูยางสบายใจทบทวนไปทบทวนมาเขาไม่บอกเวลาเนี่ยแหละเขาบอกว่าหมดเวลาลุกไปส่งเขาไม่อยากไม่ยอมรับ ปีนั้นได้ยินว่าสอบตกเวลาตั้งห้าหกองนะปีนั้นนะดูเหมือนจะเป็นรเรียนเก้าด้วยกันเหมือนกันแหละสอบตกเวลาตั้งหลายองค์ปีนั้นพอปีหลังมาได้คะแนนเอกเลยแต่สอบได้พร้อมกันกับสมเด็จพระสังฆราชนี่แหละพอท่านสอบได้แล้วท่านไปอยู่วัดประศรีมหาธาตุสองปีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ส่งมาอยู่โคราชวัดเดิมวัดสุธานี่ สิบปีท่านมาอยู่สิบปีเป็นเจ้าคณะจังหวัดปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดจากนั้นมาท่านลาออกเลยนะลาออกมาอยู่บัญฑนจนจนท่านมรณภาพอ่ะนะแล้วก็เจ้าคุณก็ได้เจ้าคุณชั้นแรกเจ้าคุณสามัญก็ท่านไม่เอาอีกท่านลาออกหมดพวกนิยปงนิยภัฒน์อะไรท่านสละให้กับโรงพยาบาลหมดไม่เอาสมณศักดิ์ก็เอาแค่นั้นแหละ เงินนิยพัท์ก็เสียสละให้กับโรงพยาบาลน้องคำม่วงโรงพยาบาลเข้าไปเบิกทำนู่นทำนี้ปีหนึ่งเบิกครั้งหนึ่งนี่ก็ได้เยอะอยู่อายุเก้าสิบปีหลวงปู่เคียนเป็นคนเด็ดเป็นคนไม่เล่นเล่นไม่เป็นพูดเล่นไม่เป็นพูดตลกไม่เป็นคนตรงคนซื่อ คนตรงต่อทำตรงต่อเปนอะไรจริงๆไม่มีไม่มีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรนะยแก๊กเดียวไม่ได้เนเนี่ยตรงแท้ๆเป็นนิสัยที่ไม่สงสิงกับใครไม่สงสิงอยู่ตามภาษีภาษาไม่เห่อขนองเรื่องลาบเรื่องหยดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่เห่อไม่ขนอง เพนเล่าฟังโยมดูเหมือนจะคุ้นเคยกันยังไงเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ไกลานานๆมาเจอกันมากราบนานๆมากราบแล้วก็เอาปัจจัยมาถวายเพื่นก็พูดเฉยเลยระยะนี้ไม่มีทําอะไรไม่ได้ทําอะไรระยะนี้มันไม่ได้ทําอะไรเนะ่ะเอาไปใช้เถอะะ <c oughs> เขาถวายเงินนะ่ไม่เอา วันนี้ไม่เรียนอันนี้ไม่มีทําอะไรเอาไว้ใช้เถอะท่านอยู่วัดบวรป ร, ริญญาเก้าป ร, ริญญแปดป ร, ริญญแปดป ร, ริญญเก้านี่พวกคุณหญิงคุณนายเขาไปบวระนาคาาดเขินจริงใดอะไรยังไงก็ให้บอกท่านไม่เคยบอกเลยพวกคุณหญิงคุณนายมหาป ร, ริยญนตะกอนนี่ดังดังมาก มีคนเคารพนับถือมากมหาปรเรียนแต่ก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้คนที่เป็นมหาปเนียนมีศักดิ์ศรีมากแต่ก่อนเน่ยแค่ปรเรียนสามแค่นั้นแหละโอ้มีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงดูแต่ลุงตานะหมูเพื่อนเคารพยำเกรงไม่ต้องพูดถึงปรเรียนสูงๆเขาบวารณาขาดเคิร์อะไรให้บอกคุณหญิงคุณนายคนรวยคนรว ย, รวยๆก็แปลว่าเพื่อนว่าโว้ย แค่เขามาประปารนาเนี่ยก็เกรงใจเขาพอแรองแล้วล่ะเรื่องอะไรที่จะต้องไปบอกเขาเว้นแต่ถือติดมาติดมือไปไปถวายถึงจะได้ขาดอะไรจะให้บอกเลยไม่กล้า บ, บอกอ่าไม่กล้า บ, บอกขาดนั้นนะเอามาให้นะเอามาให้นะเอะถ้าเป็นพวกเราอย่างทุกวันนี่พอเขาย่อนมือให้นี่ความับโหลดใช่ไมเขาย่อนมือให้นี่ความับโหลดเขายังไม่ได้ย่อนไหไปคว้าแล้วก็มี เรามาคิดดูเถอะแต่ยอนให้ไม่ได้ย่อนเน่ยคว้ามับเลดย่อนละวคว้าย่อนและคว้าเรามาเทียบดูครูบาอาจารย์รุ่นนี้ระดับนี้ท่านมีคุณธรรมนะท่านมีคุณธรรมท่านไปอยู่บ้านโพนท่านทำอย่างสมัะิทางสลงสล า, ากติกตังท่านทำอย่างสมัะที่สุดทำแบบประหยัดกระเม็ดกระแมที่สุดเคยเห็นที่ไหนกออิด ก่ออิดตะแคงเนี่ยเราก็ไปเห็นที่มันโพลนุ่มเขียนอะพาทําก่ออิดกติเนี่ยนะกติข้างล่างเป็นปูนของผมใส่ตะแคงเ น, นี่ยเนี่ยเอย่างนี้อันเนี้ยเป็นก็เป็นอิฐอย่างเงี้ยแทนที่จะวางนี้น่ะวางตะแคงก่อตะแคงก่อตะแคงทําผนังแล้วยังไม่พอก่อตะแคงทําผนางังทําผนางังถังน้ําทําผนางังทังน้ำเน่ยก่อตะแคงเี่ มันไม่เห็นซื้อมึงเพื่อนอะฮะมันไม่เห็นซื้อมันก็อยู่เราก็ไปเห็นอยู่นู้นแหละโอ้ก่ออิดแบบประหยัดที่สุดมันก่อตะแขงไหมแทนที่จะก่อท่านข้างใหญ่ก่อข้างตะแขงเนี่ยมันก็ทุ่นนสัสิมันก็เต็มเร็วอ่ะนะไปทําอะไรเกินเลยเถิดไม่ได้ดอก บ, บอกนี่เกินไม่ได้เอมเกินไม่ได้เลยแหละ ควรจะหมดปูนหนึ่งถุงนี่ไปฟาดหมดสองสาถุงนี่โอ้ยตายเลยแหละยำหัวตายเลยไม่ได้เลยแหละเพวื่อนนี่มันเกินพอดีแค่นี้ก็พออย่างนั้นยีงเอาด้จะว่าไปปีแรกปีแรกที่เรากลับจากบันตาไปไปูไปยช่วยเพืนะ่อนเองะปีแรกนะ เราเข้ามาบัาเจ็ดปีแล้วเรากลับไปอยู่ช่วยเพื่อนอีกหปชยยีช่วยอยู่ช่วยที่บัญโพนไปปีแรกเลยเนี่ยท่านไม่อยู่ท่านไปจำพรรษาที่บุรีรัมพวกเสี่ยวลุยพวกอะไรน่เลพวกเสียวเบี้ยวพวกอะไร เ, เอาไปรักษาสมุนไพรบีบนวดอะไรอะไรอยู่โน้นเราไปปีแรกกลับเป็นว่าเราไปอยู่เฝ้าบัญโพนปีแรก ปีแรกนั่นเองกำแพงฝนตกหนักกำแพงพังเจ็ดร้อยเมตรโอ้โหคิดดูที่ไม่ไม่ใช่เจ็ดสิบเมตรกำแพงพังเจ็ดสิบเมตรโอ้โหเราก็เลยต้องได้ตะเกียร์ตะกายนะขอเงินไอ้กรมกรมการศาสนา <c ười> ขอประมาณเท่าไหร่สองแสนมั้งเขาให้ไปห้ามืน ยังจาได้สิ่งก่อสร้างในวัดของท่านนี่ก็เม็กแาสร้างอย่างไม่รู้ร้าเพราะอยู่พออ า, อาศัยเท่านั้นแหละแต่เขาเป็นหลังที่เป็นหลังที่เหมาะสมไม่ไม่เล็กก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรเดินจงกลมได้อะไรได้เทะาทนที่จะทําเป็นกระต๊อบกระแตบสี่เสาเหมือนเราไม่หละมีเดินจงกลมในนั้นได้ทํายาวได้อะไรได้ไปดู แต่ก็มีศรัทธาในบ้านธรรมศรัทธาที่นู่นศรัทธาที่นี่ที่จะบอกใครนี่คงไม่มีหรอกไม่มีถ้าคนไม่ไปเห็นจริงๆไม่ช่วยจริงๆก็คงไม่ได้ทํากับท่านหรอกไม่ได้ทํากับท่านหนลวงปู่เขียนหลวงปู่เขียนหลวงตาก็ไปอีกอย่างหลวงตานี่ศรัทธาล้นฟ้ามหาสมุทรหลวงปู่เขียนนี่นิสัยเพิ่อนอย่างนั้นแค่นั้นไม่อดไม่อยาก อยู่พอดิพอดีของเพื่อนแต่ที่ใช้คนไปช่วยสงเคราะห์ที่โน่นที่นี่เหมือนลงตาไม่มีอยู่ดูแลแค่วัดการขบการฉันการอะไรก็พอดีพอดีฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ฉันน้ำร้อนฉันกโกโก้ ก, กาแฟคอน็โจกคอนไรโจกกในชงสำเร็จเลยนะไม่ใช่ไปตั้งกึกให้ชงเองไม่ใช่อ่มามพระพระห้าหกองเนี่ย เงินก็ต้องไปชงมาหกแก้วชงมาหกแก้วแล้วก็มาวางวางวางวางใครจะฉันตอนไหนก็นแล้วแต่เวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาไปฉันน้ําร้อนเป็นเอกเทศเหมือนอย่างที่พวกเรามาฉันกันเนีเวลาเท่านั้นฉันน้ําร้อนไม่มีไม่มีในระหว่างที่เราไปอยู่ท่านจะพาทําวัดเย็ยนทุกวันทุกวันตุกวั น, ทวนเทศ อบลมทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจดก็ไม่ได้อัดก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรจะอัดขนาดนั่งบันทึกติ๊กๆิ๊กตาไม่ยังโดนอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเสียดายเลยไม่มีเทศของท่านเวลาท่านล่วงไปนะ่ะไม่มีเทศก็ท่านไม่ใ้อัดมันไม่มีมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งท่านเอาไปเอาไว้ฟังก็ท่านมาให้อัดตัวเองนะครจะได้อะไรไปอัด สมัยนั้นเทปเทปอะไรก็มีอยู่แต่มันไม่มีอในวัดหลวงปู่ไม่จะมีเครื่องเดียวอะเวลานั้นก็เอาไว้สลับฟังเทปล้มตาบ้างล้มปูฟันบ้างท่านเอาไปไว้ฟังเองที่พุิจะอัดก็ไม่ได้ในสุ่ดเลยไม่มีไม่มีคําสอนของท่านไว้เปิดฟังอะไรต่างๆมีไม่กี่ม้วนมีไม่กี่ม้วนท่านไม่ให้อัดที่สําคัญก็คือไม่ให้อัด นั่งติ๊กติ๊กติ๊๊กเนี่ยยังตำหนิยังว่าให้เนี่ให้นั่งเภาณภาธรรมวัดส่วนมนีแหละแสดงทางก็อบรมทุกวันทุกวันทุวันเทเยอะเทศทุกวันทีนี้ฉันน้าร้อนก็เอาไปฉันตอนนั้นแหละเอาไปฉันนั่งกี่องห้าหองนั่งตรงไหนก็ไปวางแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแค่นั้นแหละ นี่สายท่านเป็นอย่างนั้นยังปูเขียนเมื่อก่อนเนี่ยผอมถ้าใครเคยเห็นรูปตรงนั้ น, น, น, น, นตรงที่เรานั่งตงนั้นรูปยืนนั่นน่ะลักษณะท่านท่านจะผอมงั้นแหละแต่พอหลังจากท่านอามาพาดเนี่ยท่านเริ่มเริ่มอ้วน โ, โยมลูกศิษย์ก็ เอานห้นไปบังรงเอานีไปบังรงยานั้นไปบังรงยานีไปบังรงอาหารน้นไปบังรงนี้เลยอ้วนอ้วนเหมือนรูปปั้นของท่านน่ะรูปสุดท้ายนั่นแหละอ้วนแต่เมื่อก่อนท่านพร้อมเหมือนรูปที่ยืนนั่นแหละนั่นแหะนั่นแหละสไตล์ของท่านน่ะสงของท่านน่ะพร้อมเดินคล่องวัดวัดวัวดวดวเดินสวดสวดขมูแล้วไม่พอนะไปที่กุฏิสวดอีก โอ้ยมารู้สูตรอะไรต่ออะไรสวดอยู่นั่นแหละสวดกรหมูแล้วยังไม่พอไปสิ่นุนสวดพิเศษอีกตั้งหาก <c oughs> นี่ก็มาอยู่บ้านโพนบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้ววัดบ้านโพนก็เป็นวัดที่ท่านจับจองเองนั่นนะที่แถวนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสามารถจับจองได้เองคนเมื่อก่อนคงจะไม่เยอะ ท่านเป็นมหาป ร, ริญญายุงเทพเวลาท่านกลับบ้านไม่มีที่พักก็เลยเนี่ยผู้ใหญ่เคียนเนี่ยผู้ใหญ่เคียนโพนธานะเป็นพ่อของครูศิลธรรมเนี่ยตอนนั้นเป็นเนนไปเป็นคนไปพากกรยกรยเพื่อที่จะทำขอบเขตสลับทาวัดไปจับจองเนี่ยเป็นที่จับจองเองที่มาจนถึงติดบ้านเลยนะหนองทั้งหมดนะ่ะเาเรียก คาร์หนองเจ้าคุณหนองเจ้าคุณเป็นหนองของวัดเนี่ยหนองนั่นนะเป็นหนองของวัดนั่นนะติดบ้านเลยเนะี่ยแต่มันมีหนองคั้นหนองนั้นเป็นที่ของวัดทั้งหมดพอคนเริ่มเยอะรั่วเรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีไม่มีไม่ได้มันรุกมันบุกรุกรั่วเนี่ยสมัยเราอยู่เนี่ยเคยจะทําทางรอบ บางช่วงเขาก็ให้บางช่วงเขาก็ไม่ให้ไปไมา ม, ามารุยกเลิกกันหมดได้ยังกับมรุแค่จะจะห่วงทางสลับวิ่งรถรอบบาดกว่าห่วงไม่ได้คนมันเยอะแข่งขันกันทำมหากินแข่งขันกันทำมหากินนี่มันโพนในสุดท่านก็ไปอยู่บ้านของท่านแต่ท่านมรณภาพอะท่าน มรณาภาพที่นู่นก็ไปอยู่ศิลนกกาินทั้งคิดดูป่วยสิบเก้าปีอสามปีตอนหลังเนี่ยสามปีหลังสุดเนี่ยท่านไม่ได้ออกกลับมาวัดอยู่โรงพยงบาบาลตลอดโรงพยาบาลตลอดวันที่ท่านจะมรณาภาพาวันที่ห้าเนี่ยห้ากุมภาเนี่ยเราก็อยู่นี่แหละเราอยู่ทำเต่านี่แหละหมูก็โทร บ, บอกก่อนลุงปู หมอเขาบอกว่ายังไงหลวงปู่ก็ไม่พ้นคืนนี้อ่าจะเอากลับออาแล้วก็บอกเอากลับก็กลับเราเดี๋ยวเราจะลัดไปทางนี้ให้เขากลับไปทางโน้นเราจะลัดไปทางนี้อยู่ไปเตรียมรับเป็นเหมือนกัน่ราได้ยินว่าขยับไปออกไปไปถึงไอ้เชียงยืน่หลวงปู่ก็อ่อนเต็มทีแล้วไปถึงเชียงยืนหลวงปู่ก็ไปแล้วถ้าเราจะเทียบกับเมือ น, นสายใหญ่อะไรแค่เส้นเดียวนะ่ะ ขยกขยักคือเคีคคคคคคยกเส้นเอนือขาดไปแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ให้หลวงปู่ท่านสิ้นในโรงพยาบาลตกลงกันมาตลอดอรู้สึกว่า ท, ท่านจะไม่ตอบรับยังไงก็หมดหวังแน่นอนท่านจะไม่ตอบรับเราก็จะเอากลับพราะฉะนั้นมันถึงช่วงนั้นมันถึงระยะนั้นหมอเขาบอกพวกเราก็เอากลับงอแย่ท่านไปสิ้นที่วัน ไปถึงเคียงยืนได้ยืนลุงปู่ไปแล้วลุงตาเมตตาไปรดน้ําศพไปดูไปเยี่ยมศพ ก, ก่อนเผาเนี่ยท่านไปไปดูไปเยี่ยมหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเนี่ยไปรดน้ําศพไปพูดให้กําลังใจไปวางแผนไปกําหนดวันอันอะไรเนี่ยเผาวันอะไรก็ไม่รู้ลืมแล เดือนมีนากุมภามีนาดูเหมือนจะสี่ห้าวันเก็บไว้แค่สีห้าวันแล้วก็เผาทั้งทๆที่ท่านมีสมณศักดิ์ท่านเป็นเจ้าคุณก็ไม่ขอเพลิงราชะทานไม่ขอเพลิงราจทานเป็นเรียกว่าประชุเเชมเพลิงถวายเพลิงถวายเพลิงแต่ว่าวันถวายเพลิงลงตาท่านไปเป็นประธานพอดีก็จัดพระป่าช่วยชาติ คือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะถวายท่านจัดพระป่าช่วยชาติพอปีหลังมาวางศิลาฤกษ์วันครบรอบปีแรกวางศิลาฤกษ์จัดพระป่าช่วยชาติอีกนีมนต์น้องตาน้องตาเมตตาไปอีกจัดพระปาเป็นวาระที่สองปีห้าเจ็ดเปนมรรภาพปีห้าหกหก ปีสีวางศิลาฤกษ์ปี 48, ยังไม่สร้างเพราะทองคำหลงตายัางไม่พอปี 48, ยังไม่สร้างปี 49, มาสร้างแต่ปีเจวางศิลาฤกษ์เอาไว้ปี 48, ยังไม่สร้างพอมาปี 49, เริ่มสร้างหนึ่งปีปีห้าศเสร็จ อ่าสี่เก้าห้าศูนย์เสร็จพี่ห้าศูนย์ฉลองมี่มันลงตานลงตาเมตตาไปอีกจัดพระป่าอีกเป็นรอบที่สามจัดะป่ารอบที่สามนี่แหละนายอำเภออะไรเนยะนายอำเภออะไรนะกองทองเลือดบุตรกองทองนายอำเภอคําม่วงไปขอที่ว่าการอําเภอไปขอที่ว่าการอําเภอ สงหลวตงตาท่านไปเทศน์ปภิปาช่วยชาติเป็นวาระที่สในอำเภอไปขอที่วากานอำเภอหลวงตาเขาเมตตาให้ที่วากานอำเภองบประมาณ8ล้านเขาก็เริ่มเริ่มทำตั้งแต่กุมภามมนาเมษาพฤษภามิถุานากรกฎาสิงหา6เดือนเสร็จเสร็จหเดือน ดูมันจะเป็นวันใกล้ๆกับวันครบรอบของท่านนะวันที่12สิงหาเนี่ยเขาก็เลยฉลอง ม, มีมนณลงตาไปอีกไปที่วาการอำเภอได้ทีนี่ไปที่วาการอำเภอลงตาท่านเมตตาไปอีกเราก็ไปจัดพระป่าช่วยชาติอีกเป็นวาระที่สี่โดยเฉพาะตรงนั้นนะไปจัดพระป่าช่วยชาติอีกเป็นวาระที่สี่วาระ ที่หนึ่งวรระที่สองเนี่ยได้ยินเสียงบ่นตามม่าโอ้ลุงปู่มาเอาเงินไปลุงปู่มาเอาเงินไปอ่าพอวรระที่สามวรระที่สี่ไปไม่มีใครบ่นเลยเพราะว่าหลวงตาท่านได้ช่วยที่วการอำเภอไม่มีใครกล้า บ, บน่นถ้าเ้าบน่นเ้าเล่นงานกันเองอะผู้ไทยอะเป็นอย่างงั้นได้ <c oughs> ถ้าเขาบนก็นถ้าขะบนเขาก็เล่นงานกันเองแหละไม่บน่นละเพราะทุกคนจะต้องไปใช้ที่วาการอำเภอเมื่อก่อนนั้นบนว่าหลวงตาไปขนเงินขนเงินขนเงิ น, น, น, น, นอย่าลืมว่าเงินที่หลวงตาท่านได้มันไปกับท่าน <c oughs> ไปกับท่านคนทั่วประเทศนะไปทำบุญกับท่านแต่คนชอบพูด ในจำนวนทั้งหมดนั้นมีผูส้สักคนสองคนเนี่ยมันก็มีเสียงอย่างนี้ออกมาแล้วแหละบางทีไอ้คนที่พูดออกมาบางทีเขมันก็ไม่ทําโดยซ้ำไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละหลอกมนุษย์เราเนี่ยบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้บางคนก็เลื่อมใสศรัทธาบางคนก็สักแต่ ว, ว่าทําไปอย่างนั้นแหละเนีย่ยลูกคูเขียนเจดีนั้นเราก็สาต์ตะเกียกตะกายรบกวนครูบาอาจาร อ, อง์นั้นบาง อ, องค์นี้บ้าง ต, ตอดกระถินหนึ่งกี่ครั้งอะ่ะไปทำจนเสร็จสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านทำเสร็จรวดเดียวในพระเราดูแลควบคุมการก่อสร้างธนวะนี่แหละในสุดก็เสร็จไปฉลองปีห้าศูน เจดีหลวงปู่พอเราทําเจดีถวายท่านเสร็จฉลองเสร็จอะไรเสร็จโอ้ยสบายแทะสบายถือว่าหมดภาระแล้วภาระที่เราดูแลครูบาอาจารย์เราถือว่าวางมือแล้วจบแล้วตอนเจดียังไม่เสร็จคือยังไม่จบคล้ายๆว่าเผาท่านเสร็จแล้วอัธิของท่านอยู่ยังไงเก็บยังไงอะไรยังไงยังไม่เสร็จน่ะ เลยเป็นเหตุต้องได้ดิ้นรนพาหมูทาทาเจดีอย่างน้อยทาเจดีทําเจดีเสร็จจัดงานเสร็จบรรจุเสร็จอะไรเสร็จถือว่ามีที่อยู่มีที่วางมีที่เก็บเสร็จเรียบรอ้อยนี่หมดภาระสบายโล่งโอ้สบายเทียบไม่มีอะไรเทียบเท่าเลยแหละเรามาคิดถึง มูอที่ดูแลครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันมูอที่ดูแลครูบาอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มันสามารถถึงขนาดนี้อย่างอาจารย์คูนี้เขากำลังจะขึ้นแล้วเยี่ยดียันคูนสุเมโทเนี่ยเนี่ยที่มีนก็มีอาจารย์แปะเนี่ยท่านแปะนี่ตรงนี้สองปีจะเข้าสามปีแล้วโครงสร้างก็ยังไม่เสร็จให้เราไปช่วยเราก็ไม่ค่อยมีกําลัง แต่เพื่อนก็ทำไปตามตามมีตามได้ไปแต่ละปีก็ขยับไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไม่ไม่เร็วทำช้าแต่ทำดีเฉพาะโครงสร้างเนี่ยทำแข็งแรงมากแปะพ้าหลงู่เก้าหลวงปู่เก้าพี่ชายหลวงปู่หลีป้าหลวงกูเก้ามรณภาพไปแล้วท่านแปะดูแลจัดแจงให้เป็นอย่างดี ดูแลวัดวาปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมเป็นอย่างดีเราไปทุกครั้งเราก็ชมให้กำลังใจจัดแจงตรงนั้นจัดแจงตรงนี้ยกสลาขึ้นแต้มสีทำ น, น, นู้นทำนี้ทำเสาทำตอมอกปรับปรุงห้องน้ำห้องท้ากุติกุฎทางถนนหุนทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางแต่ยังไม่เสร็จนะเจะดีย์หลวงปู่เก้ายังไม่เสร็จโครงสร้างก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ว่ามันจะต้องเสร็จทําทุกปีทุกปีทุกปีไปก็คงจะต้องเสร็จแล้วก็มา น, นึกนี่นี่นคราที่แล้วเนี่ยเดือนอะไรเนี่ยมีการยกยอดยอดยกยอดเจดี JD เนี่ยยกยอดฉัดเจดีเนี่ยยกยอดเจดีที่ที่มณฑลที่มณฑลเสร็จแล้วให้เราขึ้นไปบรรจุ น, จนูน่นยอด่ เราที่แล้วเนี่ยมีกันยกยอดยอดยกขึ้นแล้วหมสาตะเกียวตะ ก, กายเราก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับลุงปู่พงด้วยกับลุงปู่สุวัสดด้วยลุงปู่สุวัสดนี้ก็ทำคาราคาซังมาสองหรือสามปีไม่ไปหน้ามาหลังอาจารย์ชีรวัตรก็ขอให้เราไป พาหมู่ไปช่วยเสียเบี้ยวพวกอะไรนี่ให้เราท่านเสดเพราว่าเหลือเวลาอีกไม่นานหลวงตาจะจะจะมาเปิดเจดีแต่ว่าเจดีย์ยังไม่เสร็จพอเราไปเราก็ให้ตนวะไปดูไปคุมเราก็ตั้งใจทําตั้งใจทําตอนนี้คือเงินมีอยู่แต่ขัดแย้งกันขัดแย้งด้วยความคิดความเห็นกัน งาก็เลยมันไม่ก้าวหน้าพอเราไปเราก็ให้หมู่ตั้งใจทําข้างบนอเสียเกียพอเห็นพวกเราตั้งใจทําจริงจังเสียเกี้ยร์เขาก็บุกทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนกันฐานข้างนอกฐานรอบข้างข้างนอกแล้วก็ด้านหลังโอยเอาทั้งวันทั้งคืนเลยอเมื่อก่อนเมื่อก่อนวันฉลองประมาณครึ่งเดือนมั้งอาจารย์สุดทําไปฐานเถือนอะไรก็ยังไม่เสร็จเลย พอถึงวันฉลองไปอีกเอ้ยมันทํายังไงวะนี่ปันเนลามิทเอาตัวนี่อ่ะคือมันเป็นช่วงที่บุกงานไม่งั้นไม่ทันหลวงตาหลวงตาจะไปเทศอะในสุกเลยเสร็จไปช่วยกันก็นเลยเสร็จไปแล้วก็ให้ันว่าไปดูไปคุมคือเงินเขาไม่อดแต่ว่าคนที่จะดูแลคุมงานมันขาดกันเองอ่ะ โยมขัดกับพะระพาะขัดกับโยมขัดกันเองในสุดงานก็ไม่เกาหน้าช่างที่เขาทำลวนลายให้ก็ทำหยุดทาหยุดทาให้เสร็จสักทีโอ้ยพอได้เสร็จได้ฉลองใหญ่โตเจดีย์ใหญ่นะเจดีย์วัดเข่าน้อยนั่นก็เห็นความสำคัญว่าได้เป็นที่เก็บ อัธิธาตุของครูบาอาจารย์เสียจแล้วสบายหมดห่วงวหมดเรื่องละหมดภาระถ้ายังไม่เสียจก็คือยังไม่หมดภาระเรามาคิดดูหัวใจของเราของหมู่ที่หลวงปู่ผงเหมือนกันอันนี้ก็ะเทาแก่เขาให้ไปช่วยดูแลกระเทาแก่สีทธิใหม่ก็ให้ธนวัฒนไปช่วยดูแลนู่นของท่านชิดน้ำหนาวให้ธนวัฒไปช่วยดูแล งานได้งานได้งานดีแล้วก็ได้งานประหยัดด้วยได้งานดีแต่ถ้าหากเราให้เขารับไปเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยเขาใ้เขากินยี่สิเปอร์ซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตกินเงินฟรีฟรีไปเยอะอันนี้เราเสียเฉพาะค่าแรงเสียค่าวัสดุอย่างอื่นพระเราก็ดูแลของนลวงตาของเราของหลวงตาของเราก็ ป, ป, ปุบปับหลวงปู่หลีท่านก็ขึ้นอยู่นี่ละ พเราไปเห็นเห็นกันเนี่ยดูหเหมือนจะขูบสองปีละมั่งเลยฮะพ้าแดงใหญ่แต่ก็บา ร, รมีของลุงปู่ไม่มีปัญหาอะไรดอกบา ร, รมีหลวงตาด้วยบา ร, รมีหลวงปู่ลีด้วยแต่ที่บรรตาเราก็ยังขึ้นไม่ได้อยังขัดแย้งกันอยู่ยังดําเนินการอยู่ที่บรรดาด์หมายถึงเกียรติของหลวงตาของเรา แต่ก็ลกูกศิษย์ก็เอาไปทำกันเยอะอาจารย์สมเนี่ยผู้ น, นึงแหละไปทำเจดีหลวงตาแต่ทำแบบทาแบบแท่นหินเหมือนเจดีหลวงผุดตันแต่เราก็ไม่ได้ไปเห็นยังไม่ได้ไปเห็นแล้วก็อาจารย์โสภานุ่นอยู่วังน้ำเขียวเนี่ยอยู่วังน้าเขียวอันนี้ก็จะยกฉัดวันที่สองพฤศจิกาเนี่ย <c oughs> นี่มันรอบใบด้วย มีมลให้ไปเทศเราบอกโอ้งานใหญ่อย่างงี้ให้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เทศแต่ว่าผมรับปากว่าผมจะไปอยู่แต่เรื่องเทศไม่เทศเน่ยยังอย่าเพิ่งปักใหญ่แต่ในที่สุดกทินวันที่ยี่สิบสองยี่สิเออวันที่สองกับวันที่สามเนี่ยสี่รายแล้วรู้จะไปทางไหนและท่านแปะผู้หนึ่งหละสองสามท่านแน่ผู้หนึ่งสองสาม ท่านตูตอีกวันที่สองวันที่สามพฤศจิกาท่านโสภาวันที่สองวันที่สามพฤศจิกามีเทนิมอนให้ประเทศทั้งนั้นโอ้อะไรมัมกจะเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวกับเจดีเนี่ยเพราะเราเคยทําของหลวงปู่มา ก, ก่อนนี่เดือนพฤศจิกาเนี่ย เพราะฉะนั้นเดือนกฐินในช่วงกฐินเนี่ยสาวิตถิจะติดหมดและไม่มีที่ไหนที่ไหนก็ติดหมดสาวิตถิแล้วสองสามแห่งก็อย่างวันกฐินของเราวันที่ยีิบเจ็ดตุลาอันี่ตุลาเนี่ยยีิบหกก็มันตาดยีิบเจ็ดฟ้าแดงสังโคจันอินทำเตาเงี้ยก็ยี่สิบเจ็ดกันหมดอ่ะก็ไม่ต้องไปไหนแล้ววัดใครวัดเราอะ่ะ กถินสมเด็จพระสังฆาราชเราไปสร้างเจดีย์หลวงปู่เขียนเราต้องการจะใส่รูปปั้นครูบาอาจารย์ห้าองค์อยู่ในนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เขียนหลวงตาสมเด็จพระสังฆาราชรูปรูปเหมือนหลวงตาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ พยายามจะเอาแต่เอาไม่ได้อในสุดท่านล่วงไปท่านล่วงไปคุณเทวราก็เลยขนไปเอาไปถวายเนี่ยรุ่นนี้แหละเนี่ยรุ่นนี้แหละคุณเวลาไปรุ่นหุ่นขี้พึ่งเนะี่ยแหละแต่หลวงปู่เขียนก็หลวงปู่เขียนตั้งแต่ตอนเจดีอยู่แล้วตอนตอนเปิดเจดีอยู่แล้ว น้องปู่เสานลองปู่มั่นนี่พวกสว่างจิตเป็นผู้มาช่วยทำนลองปู่เสานลองปู่มั่นน้องปู่เสานลองปู่มั่นนี่ก็เป็นหุ่นขีพึ่งแล้วกครงปู่เขียนน้องปู่เขียนนี่ก็คุณเทวลารับตอนนั้นะรูปเหมือนน้องปู่เขียนสว่างจิตขอนแก่นเนี่ยรับน้องปู่เสานลองปู่มั่น นัลหลงตาคุณทวเทวกราก็รับทาไปแล้วขนไปของสมเด็จสังฆราชเราเคยขอผ่านไปทางนู้นก็าบอกว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เขาไม่นิยมให้ทำเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดรูปปั้นของสมเด็จสังฆราชเพราะสามองค์นี้ท่านเป็นเพื่อนกันหลงตาสมเด็จสังฆราชหลัหลวงปู่เขียน ลุงตากับลุงปูเขียนท่านก็นเรียกเสียเส่ยวเสี่ยวกันล่ะท่านคงชอบอัธยาศัยกันเราไปบันตาครั้งแรกกับลุงปู่เขียนแล้วพาไปคราวนั้นลุงปู่เขียนพานั่งรถมัสดาของห้อยผลนี่นแหละของลุงพ่อผลนี่นแหละไปรุงปูเทศไปนอนหนึ่งคืนมัสดาตัวเล็กๆปีกอัพมาสดาตัวเล็กๆอ่า หลวงพ่อผลนี่แหละตอนยังไม่บวชนี่ยพาไปไปนอนกับหลวงปู่เทศกลับจากหลวงปู่เทศมากราบหลวงตา้ขึ้นไปกราบท่านบนกุฏิเนี่ยครั้งแรกเลยนะในชีวิตนะ่ะขึ้นไปกราบหลวงตาบนกุฏิท่านไปท่านกับท่านก็พูดแต่เรื่องธรรมะอะไรเราก็ฟังแทบไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนกับท่านพูดสององค์อ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องะอหลวงปู่เขียนพาไป ไปหลวงปู่ฟัน่นงานสมหลวงปู่ฟัน่นไปหลวงปูส่สีผาน้ำย้อยฉลองสลาใหญ่หลวงปู่เขียนพาไปเขาก็ให้นมมนมณ์หลวงปู่เขียนขึ้นเทศในมณ์เจคุณวัดสีเมืองน้องคายเทศเสร็จแล้วต่ออย่างนั้นหลวงปู่เขียนขึ้นเทศไปรถมัสด้าตัวเล็กๆ น, นั่นแหละของหลวงพ่อผลนั่นแหละ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีพ้นเนี่ยรวยเอ้ารวยเอารวยเอ า, เอาสิบลอ้อไม่รู้กี่คันตัวกี่คันอะเพราผลเนี่ย แ, แล้วสักหนึหน่งพ้นก็เลยบวชเนี่ยช่วงระยะที่เพ้นบวชเนี่ยตอนนั้นเราอยู่อยู่ไหนอยู่บันโผนหรือยังยังอยู่บันโผนหรือออกมาภูสังโฆแล้วนะพ้นวิ่งมาตามมาอยู่ภูสังโฆเนี่ย แล้วก็อยู่ภูสังโคปีสามห้าเนี่ยเมืพผลบวชแล้วก็วิ่งมาอยู่ภูสังโคด้วยโอ้ยวิ่งลงมาบินทบาทขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นเดินลงทั้งหลายวันเนะยเพราะนี่สู้เอาตายเลยภูสังโคเดินจากข้างบนลงมาบินทบาทเนี่ยเหงื่อแตกสองครั้งเดินลงมานะเหงื่อแตกสองครั้งเดินขึ้นไปเนี่ยเหงื่อแตกอีกสามครั้ง เพราะขึ้นไปที่มันหนักกว่าตีแรกไม่ได้ชั้นที่สลานะชั้นที่พลานหินพลานหินเขาเพิ่ไนไอ้ตรงป้ายป้ายหินอ่อนนะั่นแหละป้ายแกรนิปที่เขาตั้งเอาไวนนนะ้นั่นแหะนั่นแหละแหซ้ายเข้าไปพลานหินกว้างใหญ่ไพศาลเลยตรงนั้นนะ้ําโซ่ล้างบาตรล้างไรสนุกอืมมีตะบะขึ้นไปชั้นตรงนั้นแหละ ฉันเสร็จแล้วก็ภายใต้บาทขึ้นไปไปถึงวัดเดินขึ้นไปอีกสองโลไปถึงวัดอย่าหลวงพ่อฝนไปอยู่ทันช่วงนั้นนะพออยู่สักหน่อยหนึ่งท่านก็มาอยู่กับใครตอนนั้นมาอยู่ใครเนาะมาอยู่กับใครตอนนั้นจากนั้นแล้วก็มาอจากนั้นแล้วเรามาอยู่นี่ก็มาอยู่นี่ตลอดเลยสิตอนหลังมามาอยู่นี่ตลอด หลวงพ่อผลนี่เป็นอุปถาของหลวงปู่เขียนท่า น, นเป็นอุปถาอยู่อำเภอสมเด็จแล้วก็มีเป็นทีมเหมือนทีมอุบาสกุบาสิกาเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละวันพลาี่ับพากันไปรักษาศีลทั้งพอออกทั้งไม่ออกเต็มนั่งรถไปอยู่อำเภอสมเด็จนั่นแท้จริงอำเภอสมเด็จนี่เขามีความเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์สนใจครูบาอาจารย์แต่ตอนหลังมาเลยแตกแตก ไปวัดนู้นบ้างวัดนี้บ้างวัดดอยบ้างวัดน้องไผ่วัดนู่นวัดนี้ไปวัดหลวงปูอ่อ้มเมื่อก่อนในมาหลวงปู่เขียนแต่ตอนหลังมาเนี่ยแตกไปนู่นแตกไปนี้หมดหลวงพ่อผลมาอยู่เนี้มาอยู่ตลอดตอนหลวงปู่เขียนมรณะภาพปีสีหกพจน์ก็ไม่ได้ไปกราบศพที่นี่อศพหลวงปู่ก็เอาไปไว้ที่วัดพอดีหลวงพ่อหลวงพ่อผลป่วย ป่วยก็เลยเอาไปศีนนักคารินนะเอาไปศีนนักคารินแต่ยังไม่ได้ไปกราบศพหลวงปู่นะไปศีนนักคารินไปอยู่กี่คืนมรรลุท่านป่วยตอนนั้นลูกของท่านก็เป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นไอ้ทัดท่านไปอยู่กี่วันมรรลุรู้สึกค่อยๆหายดีท่านก็เลยกลับไปบ้านพนแต่ที่จะกลับมานี่ไปบ้านพนไปบ้านพนไปอยู่น้นไม่นานไปครั้งแรกก็ถือว่าไปกราบศพหลวงปู่ จนไปจนไปทํางานเสร็จจนไปจนไปจัดงานหลวงปู่เสร็จอะไรเสร็จเสร็จไม่นานนะหลวงพ่อผลเลยเสียเสียอยู่ที่นุ่นโมโนาภาพที่นุ่นเลยเผาอยู่ใกล้แถวนั้นละนี่หลวงพ่อผลเนี่ยมันมาอยู่เนี้อยู่กุฏิหลังนี้ยอืเมื่อก่อนเห็นแต่ทูนแล้ววิ่งตาม <laughs> วิ่งตามหลัง ลูกน้องคนเดียร์อยากพี่น้องคนอืมเสร็แล้วลูกหลานคนกับเที่ยวมาบวชกับเราอยู่เรื่อยๆ น, นัดเอ่ยนัดอ่ะมีเศษบวชก็บวชที่สมบวชที่กระสินประยุทนโพน วิเศษยังไม่เคยมาบวชลูกอวิเยอะอะไรเขามาบวชอยนี้เดี๋ยวนี้สมเด็จก็ยังมีค้างอยู่นี่นะฮะยังไม่มีใครรู้จักมั้งนี่ยังมีสมเด็จค้างอยู่ในนี้นะพระนะรู้จักบอฮะอ๋อไม่ค่อยเห็นหน้าดอกเราก็ชักจักลืมลืมหน้าลหละฮะ เอเราเล่าเรื่องข้างหลังนิดหน่อยเล่าเรื่องสมเด็จสังคาราชก็เลยพูดถึงเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เขียนเกี่ยวข้องกับหลวงตาเมื่อวานเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยปีสมเด็จสังคาราชเรากลลืมนึกพาหมู่ไปชมทำบัดรสวดมนต์นั่งภาวนาแต่ปอดีเราอยู่กุฏิเราเราตอนข้ามแล้วรายที่เราก็ขึ้นไปแล้วก็นึกถึงปรดีนึกถึงเอาเราเอาอยู่นั่นแหละแล้วค่อยระลึกถึงท่าน อุทิศนึกน้อมนึกถึงท่านสมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชเราเคยเห็นท่านไปบนโพชนี่แหละอ่าสมัยน้องปู่เขียนเราก็อยู่บรรพชนสมเด็จสังฆราชตอนนั้นท่านเป็นพระอะไรพระาศาสนะโสผลอะไรเนีะท่านไปลุงปู่เขียนให้เทศพ้นขึ้นเทศเรื่องมหาสติปัฏฐาเนี่ยเรายังจําได้เลยอ เทพมาสติปทานพอลงมาลงจากเทศลงมาเอาโสมไปถวายท่านไม่ฉันท่านฉันน้ำผึ้งจำได้แล้วยังจำได้นิสัยท่านพูดช้าพูดประหยัดคำพูดพูดแบบหลักการท่านมีความสามารถนะนมีความสามารถคนที่มีความสามารถเป็นไม่ได้หรอก มีบุญด้วยมีความสามารถด้วยโดยเฉพาะตำรงตำราอะไรเนี่ยต้องแม่นยำรเรียนเก้าในงานเป็นเป็นยากเป็นไม่ได้ดอกสมเด็จพระนางกราชมันก็เป็นบา ร, รมีของไขรของเรามันเป็นการสร้างสมอบรมบุญญาบา ร, รมีของไครของเราของท่านก่บของท่านของเราก็ของเรา หลวงปูเทศบวชตั้งแต่อายุสิบสองปีเห็นไหมหลวงปุเทศมราณาภาพอายุเท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมหลวงปูเทศอายุเท่าไหร่ดูที่บวชตั้งแต่อายุสิบสองปีท่านกับมราณาภาพในผ้าเหลืองหลวงปูเขียนท่านกับบวชเนรตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบสี่ปีท่านกับมราณะในพระผ้าเหลืองสมเด็จพระสังฆราชนี่เพิ่งจะต้องมราณะภาพในผ้าเหลือง หลงตางอนี้ตอนจะบวชกัรักสาวเนท่านเล่าให้ฟังนะแต่เวลาบวชไปแล้วก็สลดใจแล้วก็สงสารพระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องพุทธประวัติติดอกติดใจภาวนาได้รับความสงบก็ติดอกติดใจอยู่ตั้งแต่นั้นนะจนอายุเก้าสิบแปดปีตายในเพศยรผ้าเหลืองแล้วก็ดูที่นี่มุญยาบ ร, รมีของไขของเรา สิ่งเหล่านี้เราจะว่าอะไรเราจะว่าตกกระไดพลอยกระโจนหรือเราจะว่าอะไรเรายะบุญญาบา ร, รมีหรือจะว่าอะไรอคนเรามันมีการพัฒนาฝึกฝนอบรไมได้ยินได้ฟังแล้วก็พัฒนาเอาในเมื่อดูไปแล้วเล็งไปแล้วอะไรไปแล้วเอออันนี้ดีกว่าเอออันนี้เหนือกว่าคนเรามารู้ว่าดีกว่าหรือเหนือกว่ามันก็ต้องรักษาภาวะของตนพยายามรักษาภาวะของตนอื รักษาภาวะของตนอย่างปู่เขียนเนี่ยไม่ชี้แก้วเคยเคยถ่ายเอาไว้ว่าว่าจะว่าจะอยู่มรณภาพในผ้าเหลืองชาติก่อนๆนะไม่ได้ว่างั้นนะแต่ชาตินี้พระว่ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เอ้าก็เหมือนพรนว่ายิงจริงอะมรณภาพในผ้าเหลือง เคยไปคุยเคยไปถามเคยไปสนทนาก็ไม่ขี้แก้วนี่หลวงปู่เขียนนะโดยเหตุที่เพื่อนไม่พูดไม่เทศไม่อะไรก็เลยอะไรเรื่องราวอะไรเลยไม่ค่อยมีหนังสือประวัติก็มีประวัตินิดๆหน่อยๆ น, นี่ยิบเก้าตุลาเนี่ยเขาจะจัดร้อยปีเหมือนกัน<อ>เห็นเห็นบัณฑตาเขาจะจัดร้อยปีหลวงตาเขาจะจัดร้อยปีหลวงปู่เขียนเหมือนกันวันที่ยีิบเก้าตุลาเนี่ย 28-29 แปดยิบเก้าตุลาเนี่ยเป็นวันเป็นวันเกิดของเพื่อนเป็นวันครบหนึ่งร้อยปีของท่านครบหนึ่งร้อยปีของท่านยิบแปดยิบยิบแปดกับยิบเก้าตุลาเนี่ยเมื่อก่อนก็มีการจัดรบรอบของท่านยี่บแปดยิบเก้าตุลาเสร็จแล้วก็จะให้มีกระถินด้วยก็เลยท่านสงบเลยถามมาให้มีว่าพามูจัดหนึ่งร้อยปีเราก็เอา้า จัดลดดาเนินการเลยทำใบอนั้นไปให้เราเราก็ในมลหมดล่ะอาจารย์อินอาจารย์สุธรรมอาจารย์จัน์อาจารย์จําลัดอาจารย์จีรวัตรอาจารย์อุ่นทันอาจารย์น้อยอาจารย์ชินอาจารย์ก่อเกียรติอาจารย์สนิทวันนั้นเจอกันที่เขาคอเนี่ยเราก็ในมลหมดเลยละเนี่เวลาเวลาใกล้ใกงาน เราจะโทรเช็คไปอีกใครมาได้บ้างที่เรานีมนไปเนี่ยแล้วก็ให้นิมนต์เจ้าคณะภาควัดแสงอรุณขอนแก่ น, นไปเทศเจ้าคณะภาคปทุมแก้วเนี่ยวัดแสงอรุณเทศดีนะนีกรอนฟังไพร่ดีเนี่ยวันที่ยี่สบแปดยิบเก้าตุลาเนี่ยวันนั้นเรานิมนเห็นท่านรับหมดแล้วนะอาจารย์อินทัศก็สนใจท่านไปติ๊กๆิ๊ ก, กไว้ไอาจารย์สุธรรมเพราะมันไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์ มันน่าถ้า น, น่าจะว่างท่า น, น่าจะไปกันได้มันไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่กลับเป็นว่ายี่สบแปดยิบเก้าตุลาหลังจากกฐินเราไม่กี่วันเนี่ยเราจะต้องไปเจองานหนักที่นู้นอีกนะจะต้องไปร่วมงานหนักที่นู้นอีกเราก็ยังไม่ได้วางแผนว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างได้ยินว่าเขาให้พิมพ์หนังสือหนังสือที่พิมพ์เมื่อก่อนนั้นเราเคยให้พิมพ์มหาสติ แล้วก็มีประวัติหลวงปู่นิดหน่อยแต่คราวนี้เขาไปเอาหนังสือเล่มเก่าหนังสือเล่มเก่าที่ทำตั้งแต่สมัยเราออกมาแล้วแหละใครไม่รู้ใครทำไม่รู้เล่มขนาขนาดประมาณก้อยหนึ่งซึ่งเล่มนั้นเราเคยมาคัดเอามาคัดเอามาคั ด, าาคดพิมพ์เล่มเล่มใหม่ตอนฉลองเกดีย์อยู่เต็นเขาจะไปเอาเล่มเก่านะมาพิมพ์พิมพ์ทั้งหมดมหาั ศ, าศาติเอ๋ยอะไรเอ๋ยไม่มี ถ้าเราให้พิม์เราจะให้พิม์มหาสติเพราะมหาสติปัฏฐานนะั่นเน่ยมันเป็นธรรมภาคปฏิบัติอยู่ในนั้นหมดสมถะก็อยู่ในนั้นวิปัสนาก็อยู่ในนั้นมหาสติปัฏฐานนะท่านอธิบายเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมมีธรรมภาคปฏิบัติทั้งนั้นเลยแต่เรื่องมหาสมัยนี้เราไม่ถนัดเราไปอ่านดูเห็นแต่ชื่อยักษ์ชื่อนู้นยักษ์ชื่อนี้เรา เรื่องมหาสมัยแล้วไม่ค่อยถนัดดอกแต่มหาสติเนี่ยมหาสติเราถนัดเราท่องเกือบจบอ่ะมหาสตนะิท่องเกือบจบแล้วนะแต่ในที่สุดก็ปล่อยปล่อยไปก็เลยหายไปหมดแล้วท่องง่ายท่องไม่ยากดอกมหาสติเนี่ยว่าจะทำหนังสือสวดมนต์เล่มใหญ่ๆ ห, หน่อยก็ยังคอยข้อมูลจากอาจารย์สุธรรมอยู่ อ๋อไม่รู้ไม่รู้เราก็เคยได้ยินอยู่เวทสุวรรณเวทสุวรรณโอ้ตำนานเขาพูดยังไงไม่รู้นะเรารู้แต่ว่าเทวเวทสุวรรณนี่เขาว่าพรยาพิมพิสารเนี่ยแหละไปเกิดเป็นเทวเวทสุวรรณพรยาพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสะดาบันนะพระชนเวทสุวรรณนี่ก็จะต้องเปิดเวเป็นเวทสุวรรณ ที่เป็นยักษ์ยักษ์เขาก็มีฤทธิ์มีอำนาจน ะ, ะจำไม่ได้คาถามีเคยสวดเคยจำอยู่แต่ลืมลืมหมดแล้วแหละอ า, านาติยะปริตรเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นแหละอ า, านาติยะสูตรนะไปดู เอออืมเทวสุวรรณเทวสุวรรณนี่ข่าวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ไปเกิดเป็นเทวสุวรรณเวสุวรรณเทวสุวรรณก็อยู่เนี่ยสวรรค์ชั้นจ่าตุมเคลียวเท้าจักตโลกบาลทั้งสี่เท้าทศทตรศ ท้าทะตะรถเทา้าเวรุลหกท้าววรุลปะเท้ากูเวนกูเวนนี่แหละเวสุวรรณเท้ากูเวนเท้าวเวสุวรรณเป็นเป็นพระราชาของบรรดาหยักทั้จจงหลายเออต้องเปิดต้องเปิดดูในเล่มนั้นแ่ะเขาจะเลือกมาคาถาน้ตคาถาน้ตคาถาโน้ม อืบางทีชื่อซ้ํากันอ๋ออาจจะไม่ใช่เวสุวรรณนี้ก็ได้ไม่ใช่เวสุวรรณนี้ก็ได้ชื่อซ้ํากันชื่อซ้ํากันชื่อซ้ํากั น, นเกี่ยวกับยากรเราไม่ถนัดดอกสวดยักเนี่ยว่าก็ยากอะไรก็ยากถ้าจะให้เราสวดเราสวดมาสติยังยังจะสวดสบายกว่า มั้นเลยไม่ท่องไม่ท่องสักคำเลยมหาสมัยไม่ท่องสักคำแต่หมูก็พาสวดหมดไปหลายจบแล้วแหละโดนซื้อสวดดูไม่ทันเขาหรอกอาจารย์ทวีหิบท่านท่องได้สวดเลยแหละอาจารย์ทวีหยิรรษาที่แล้วท่านไปอยู่อเมริกาไปเพื่อที่จะไปสวดสมหาสมัยนี่แหละเพราะท่านได้หนะมูเขาก็ดึงไปท่านไปอยู่หนึ่งพรรษามหาสมัยสตร พระพุทธเจา้าองค์หนึ่งก็มีมหาสมัยหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแต่และองค์แต่และองค์จะมีมหาสมัยหนึ่งครั้งเทวดาสําคัญสำคั ญ, คญจะมารวมกันที่นูน่นที่นูน่นพลาลนาหมดอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นภาลนาไปก็สวดไปแต่ถ้าเราขวละสวดเพื่อความขลังหรเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็มันก็ได้ความขลังได้ความศักดิ์สิทธิ แต่เป้าประสงค์ข้อปฏิบัติในเราไม่ได้แต่ถ้าเราสวดมาสติเราดูมาสติเนี่ยมาสติพูดถึงการปฏิบัติสมสถะกับวิปัสนาอยู่ในนั้นทั้งหมดจะเอากายเป็นอารมณ์จะเอาเวทนาเป็นอารมณ์จะเอาจิตเป็นอารมณ์จะเอาทำเป็นอารมณ์ท่านอธิบายละเอียดอยู่ในนั้นหมดมาสติเคยเห็นไหมเคยได้ไหมฮะเคยได้ไหมมหาสติเน่ย มหาสติเดี๋ยวเดี๋ยวของเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ยมสิทธินะอหาสมัยก็คือสมัยพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีมีอยู่วันหนึ่งที่ป่ามหาวันป่ามหาวันเอมหาวันหรืออันถวันเนี่ยลืมแล้วแหละเป็นมหาสมัยอ่ามีทั้งภาษาประสง์ ส, งสาวกมีทั้ง เทวดาทุกหมู่เหล่าไปสมาคมกันเป็นสมัยเดียวที่เรียกว่ามหาสมัยมหาสมัยมหาสมยสูตรเป็นสูตรที่ยาวอยาวไม่ถึงมหาสติมั้งมหาสตินี่ก็ยาวมากเลยนะเฉพาะมหาสติอย่างเดียวเนี่ยเกือบเท่าก้อยเนี่ยนี่ของเรามีอยู่มีคำลีลีมีคำแปลสวด ต้องการสดวดบาลีก็ได้ดูคำเพลก็ได้มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เพ่อนเนอะคิดว่ายังมีอยู่นะที่พิมพ์ตอนงานมันผลเนี่ยออจบแล้วมัง้งเง้านอนกันหลายคนละไปพภาวนาต่อนะเออเอาไปวันอาทิตย์นี่พ่าจะว่าจะพาไปวัดหมากย่าวัดหน้องโบบานแลว้วก็วัดหลวงปู่เพ็งนะวันอาทิตย์นี้ ใคยมีเวลาไปได้กลับไปวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ก็เหลืออีกสามวัดเท่านั่นแหละที่เราจะไปนอกนั้นเราก็หมดแล้วแหละอืมเอาไปกลับภาวนาเอเรามีข้อนิสยัยมีอะไรไหม ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีใช่ไหมอ่ะวใครมาขอหนี้ใสก็มาข อ, อนิสยัย